เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบหมิถุนายนพุทธศักราชสองพัน้อยเป็นวันพระวันธรรมอสวันวันคังมธรรมเป็นวันที่สาธุชนพุทธบริษัท ได้ตั้งใจมาวันเพื่อมาตัดเวลาที่ถูกจำค้างจองจำอยู่ในคุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดพวกเรนานี้เป็นเหมือนนักโทษที่ถูกจับขังคุกขังตารางคุกของเราก็มีกำแพงอยู่สี่ด้านด้วยกันคือกำแพง ด้านที่1เรียกว่ากําแพงเกิดกําแพงด้านที่สองเรียกว่ากําแพงแก่กําแพงด้านที่สาก็คือกําแพงเจ็บและกําแพงด้านที่4ก็คือกําแพงตายเราเวียนว่าตายเกิดอยู่ในวัฏจสงสารแห่งการเกิดแก่เจ็บตายก็ เ, เป็นเหมือนกับการถูกจองจําอยู่ใน คุกที่มีกำแพงกั้นอยู่สี่หน้าวิธีที่เราจะออกจากคุกจากตารางไปได้ก็คือเราต้องประพฤติตนเป็นคนดีเช่นนักโทษที่บงเพ็ญประโยชน์ทำตนเป็นคนดีก็จะได้ลดโทษไปตามลำดับจนสามารถออกจากคุกไปได้ในที่สุดแต่ถ้าไม่บงเพ็ญตนเป็นคนดี ทำตนเองเป็นคนไม่ดีสร้างความเสียหายให้กับเพื่อนที่ถูกกับขังอยู่ในคุกอยู่ในตารางด้วยกันก็จะถูกเพิ่มโทษขึ้นไปเรื่อยๆทำให้จะต้องถูกขางไฟจนไม่มีวันที่จะหลุดออกมาจากคุกจากตารางได้การประพฤติปฏิบัติ ตามคำสอนของพระุทธเจ้าเช่นทำบุญละบาปและหยุดความอย่างต่างๆนี้เป็นการกระทำความดีเพื่อเพื่อเป็นการตับพบตับชาให้มีจำนวนน้อยลงไปตามลำดับและให้หมดไปได้ใหาที่สุดนี่เป็นวิธีที่พวกเราจะสามารถ หลุดออกจากคุมตารางแห่งการเวียนว่ายางเกิดได้ไม่มีทางอื่นทางอื่นเป็นการเพิ่มโทษเพิ่มวันเวลาที่จะต้องจับขังคุบจูกจับขังอยู่ในคุกในตารางต่อไปอย่างไม่มีวันที่จะหลุดออกมาจากคุมจากตารางได้ เช่นการทำบาปเช่นการหาความสุขทางล่างยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นการกระทำที่จะเพิ่มวันให้เราติดอยู่ในวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดวิธีที่จะออกจากวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องอยู่ที่การอยู่ หยุดการหาความสุขทางลาภยศรสรรเสริอความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็คือให้เราหยุดหาเงินหยุดใช้เงินกันหยุดหาอำนาจวาชนาหยุดหาความเป็นใหญ่เป็นโตเพราะเท่ากับการเป็นการเพิ่มวันที่เราจะถูกจำจองอยู่ใน ทุกตารางแห่งการเรียว่างตายเกิดให้เรามาหยุดด้วยการเอาเงินที่เรามีเหลือกินเหลือใช้มีมากเกินไปนี้เอาไปทำบุญเ mm hmm. วลาเราทำบุญแล้วใจเราจะมีความสุขจะมีความอิ่มจะทำให้เราไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปหาความสุข ทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิก่นลดปวดทพาคือเราจะได้ไม่ต้องไปหาเงินมาหาทองเพื่อที่จะได้เอาเงินทองมาซื้อกาบสุข ต, ต่างๆเพราะเราได้ความสุขที่ดีกว่าก็คือความสุขที่เกิดจากการทำบุญบริจาคทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองประโยชน์สุขของตน ให้แก่ผู้อนการให้ความสุขแก่ผู้ น, นีและจะทำให้เราได้รับความสุขกลับมาเราจงเรียกว่าบุญบุญแปลว่าความสุขใจเป็นการเกิดจากการให้ด้วยเจตนาด้วยจิตที่สะอาดบริสุทธิ์คือไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนจากผู้รับถ้ามีการแลกเปลี่ยนกัน ก็จะไม่มีความสุขใจเช่นเราเอาเงินไปซื้อของที่ร้านที่ร้านเขาก็ให้ของเามาเราก็จะไม่รู้สึกมีความสุขแต่อย่างใดแต่ถ้าเราเอาเงินไปให้ที่ร้านแล้วบอกเขาว่าไม่ต้องการเอาของอยากจะให้เงินเขาใช้เฉยๆถ้าเราทำอย่างนี้ได้ใจของเราจะมีความสุข ล้วต่อไปเราจะไม่ต้องใช้เงินซื้อความสุขเมื่อเราไม่ต้องใช้เงินซื้อความสุขเราก็ไม่ต้องไปหาเงินหาทองต้องไปลำบากลำบนก่อนกับการหาเงินหาทองหามาได้แล้วก็เอาไปใช้หมดใช้หมดแล้วก็ต้องไปหาใหม่เพราะการใช้เงินของเราไม่ได้ทำให้ใจเรามีความสุข มีความอิ่มมีความพอนั่นเองถ้าเราอยากจะให้ใจของเรามีความสุขความอิ่มความพอเราต้องเอานงินี้ไปให้ผู้่ไปช่วยเหลือผู้่จะให้ไครก็ได้ให้กับวัดก็ได้ให้กับนัก บ, บวชพระภิกษุสามเณรก็ได้ให้กับคารวะญาติโยม ก, ก็ได้เช่นให้กับบิาาดามารดาครูบาอาจารย์ ผู้ที่มีพระคุณต่างๆหรือให้แก่ญาติสนิทนิ ส, สายให้แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือให้กับเดลาฉาเช่นเราไปซื้อปลาซื้อนกมาปล่อยอันนี้ก็เป็นการให้ชีวิตให้อิสราภาคแก่เขาเราให้ความสุขกับเขาแล้วใจของเราจะมีความสุขจะทำให้เราไม่มีความอยาก ที่จะใช้เงินไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อเช่นซื้อเสื้อผ้าที่เรามีล้นตู้อยู่แล้วซื้อรองเท้าที่เรามีอยู่เต็มตู้อยู่แล้วซื้อกระเป๋าซื้ออะไรต่างๆที่เรามีอยู่เต็มบ้านอยู่แล้ว ซื้อมาได้เท่าไหร่ก็ไม่ได้ทําให้เราเกิดความสดใจ mm. เกิดความอิ่ใจ mm. เหมือนกับการทําบุญนี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามทำกัน mm. ทํากันให้มากขึ้นไปตามลําดับตอนนี้เราทําได้ร้อยละสิบทั้งต่อไปเราต้องท100 20, ําร้อยละยี่สิบทั้งต่อไปเราก็ทําร้อยละสามสิบทำเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อเราทำแล้วเราเห็นความสุขใจเราก็จะมีความยินดีมีความพอใจที่จะทนเพิ่มมากขึ้นไปจนในที่สุดเราก็จะทำหมดเลยมีเงินทองเท่าของสมบัติอะไรต่างๆมากมายกลายกองก็จะยกให้ผู้อื่นไปหมดแล้วเราจะได้ไปรักษาศีลไปรักหมากได้อย่างเต็มที่ เพราะว่าใจของเราไม่มีความโลภอยากได้อะไรแล้วเมื่อไม่มีความโลภอยากได้อะไรการไม่ทำบาปจึงเป็นสิ่งที่ง่ายดายอย่างยิ่งการที่เรายังต้องทาบาปกันอยู่ mm. ก็เพราะว่าเรายังอยากได้งินอยากได้ทองอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราไม่สามารถได้มาโดยวิธีไม่ทำบาปถ้าต้องทำบาปเราก็จะทากัน พราะความอยากได้นี่มันมี อ, อนุภาพมีกำลังแรงที่จะผลักดันให้เราไปทำบาปได้แต่ถ้าเราทำบุญอย่างสม่ำเสมอทำบุญจนไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วการที่เราอยากจะได้งเงินทองนั้นก็จะไม่มีปรากฏขึ้นมาภายในใจการอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะไม่มี พ่อใจมีความอิ่มเต็มที่จากการทำบุญจากการศีสละจากการบริจาคทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้แก่ผู้อื่นไปก็เลยทําให้เรามีเวลาที่จะมาล้างบาตได้อย่างเต็มที่เวลาการล้บาตที่สมบูรณ์แบบเต็มรูปแบบก็คือการออกบวชนั่นเอง ออกบวชเป็นพระออกบวชเป็นชีแล้วก็รักษาศีลศีลแปดศีลสิศีล2องร้ 8, 10, อันนี้เป็นขั้นที่สองหลังจากที่เราทําบุญได้แล้วเราไม่ต้องมีความจําเป็นที่จะต้องหาเงินหาทองมาซื้อความสุขต่างๆแล้วเพราะเรามีความสุขที่เกิดจากการทําบุญแล้ว เราก็จะออกบวชได้ในเบื้องต้นเราอาจจะบวชชั่วคราวก่อนเช่นวันพระอย่างวันนี้เรามาถือศีลบวชกันคือแทนที่จะรักษาศีลห้าตามปกติวันนี้เรามา จ, จะเป็นนักบวชกันนักบวชก็คือจะไม่หาความสงบทานร่างกายเช่นไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่น ไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารไม่เป็นเวล่ำเวลาไม่รับประทานอาหารมากเกินไปรับประทานเท่าที่ร่างกายต้องการเช่นรับประทานเพียงเที่ยง<ๆ>วันก็พอแล้วอยู่ได้รับรองได้ว่าไม่ตายอย่างแน่นอ น, นดีกับร่างกายด้วยเพราะจะทำให้ร่างกายลดน้ำหนักลงไปจะทำให้ร่างกายมีรูปร่าง ที่น่าดูแทงที่จะเป็นตุ่มเป็นถังก็จะได้มีรูปร่างของคนบ้างไม่ใช่เป็นตุ่มนี่คือการม า, ล, ล, า, ร า, า, มาล้น ล, ละการหาความสุดทางร่างกายแล้วเราก็มาม่ละการหาความสุดจากการดูการฟังเช่นดูภาพยนตร์ดูละครดูการบันเทิงต่างๆ ฟังเพลงฟังเสียงบันเทินต่างๆแล้วก็ลดละการมาแต่งเนื้อแต่งตัวใช้เครื่องสำอางใช้น้ำหอมให้กับให้ตัวเราดูสวยงามซึ่งเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวก็เหนือออกมาก็ส่งกลิ่นเหม็นอยู่ดีเดี๋ยวก็ผมผเเพ้วกยุ่ม ในที่สุดก็ต้องไปอาบน้ำอาบทา่าเล้ามาแต่งตัวใหม่เสียเวลาไปเปล่าๆความสวยงามของคนเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่ใจใจที่มีศีลเนี่ยละเป็นใจที่สวยงามใจที่ไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดต่อวันนี้ไม่โกหกหลอบรวมไม่เสพสุรายามังเป็นใจที่น่ารัก ไม่มีใครอยากจะเดินหนีไม่เหมือนกับใจที่ไม่มีสีไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เพราะกลัวจะเกิดอันตรายกับชีวิตของตนดังนั้นเราไม่ต้องมาเสียเวลากับการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากปากพงด้วยน้ำหอมน้ำมันต่างๆเรามารักษาสีกันดีกว่า แล้วเราจะเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมน่าเคารพน่ากราบวาหา้น่าบูชาแล้วเราก็ไม่หาความสุขจากการหลับนอนมากเกินไปวิธีที่จะไม่หลับนอนมากเกินไปก็ต้องนอนบนพื้นแข็งๆอย่าบนนอนบนฟูกหนาๆเพราะถ้านอนบนฟูกหนาๆมันจะสบายเวลาร่างกายตื่นขึ้นมาแล้ว แทนที่จะลุกขึ้นมาก็จะนอนต่อร่างกายต้องการพักผ่อนเพียงประมาณสี่ห้าชั่วโมงแต่พอตื่นขึ้นมาแล้วถ้ายังนอนบนฟูกหนาๆยังนิ่มยังสบายอยู่ก็จะไม่อยากลุกก็จะนอนต่ออีกสี่ห้าชั่วโมงก็จะทำให้เสียเว ล, เวลาอันมีค่าที่เราจะมาใช้ในการตัดพพตัดชาติตัดวังเวลา ที่เราถูกจองจำได้คุกตารางแห่งการเวียนร้ายตายเกิดให้น้อยลงไปนี่คือศีลของนักบวชอย่างน้อยเรามาซ้อมทำกันก่อนเรายังไม่สามารถบวชได้อย่างถาวรเราก็เป็นนักบวชสมัครเล่นไปก่อนนักบวชชั่วคราวเช่นวันพระอย่างวันนี้ ถ้าเราไม่ต้องไปทำงานทำการไม่มีภารกิจอะไรต่างๆเราลองขังตัวเองอยู่ในบ้านสักวันหนึ่งปิดวิทยุปิดโทรทัศน์ปิดเครื่องบันเทิงต่างๆแล้วเอาเวลามาหยุดความอยากด้วยการทำใจให้สงบถ้าเราหยุดความอยากได้แล้วเราจะพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ ความสุขที่ดีกว่าการทําตามความอยากเพราะสิ่งที่เราอยากได้นั้นไม่สามารถให้ความสุขแบบที่เราได้จากการหยุดความอยากความสุขที่เราได้จากความอยากแทนที่จะเป็นความสุขกลับเป็นความทุกข์เพราะว่าเวลาที่สิ่งที่เราได้มาต้องจากเราไปหรือเสียไปไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้ เวลานั้นสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นทุกม์ให้กับเราแต่ถ้าเราสามารถหยุดความอยากได้เราก็ไม่ต้องไปหาสิ่งต่างๆที่จะให้ความทุกข์กับเราเราสามารถอยู่คนเดียวได้อย่างสบายไม่รู้สึกว่าเว่ยเศร้าส้อยหงยเหงาไม่รู้สึกเบื่อหน่ายแต่อย่างใดเพราะความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ เกิดจากใจที่ไม่สงบนั่นเองเวลาใจไม่สมมงบแล้วจะเกิดความอยากอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากไปที่นั่นที่นี่อยากดูอยากฟังพอไม่ได้ทำตามความอยากก็เกิดความเศร้าส้อยหงยอยเหงากเกิดความว้าเหว่ขึ้นมาแต่ถ้าเราสามารถหยุดความอยากได้ความรู้สึกต่างๆเหล่านี้จะอัตตาหายไป ใจจะเหลืออยู่แต่ความอิ่มเหลือแต่ความสุขอย่างนั้นเราควรที่จะเพ่งเปบามาที่การหยุดความอยากการหยุดความอยากนี้ก็ต้องหยุดด้วยการทําใจให้สงบเพราะความอยากนี้เกิดจากการที่ใจไม่สงบใจไม่สงบเพราะอะไรก็เพราะว่าไม่หยุดความคิดปรงแต่งต่าง ถ้าใจอยากคิดปุตแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ใจก็จะไม่สงบนอกจากไม่สงบแล้วก็จะเกิดความฟุง้งซ่านเกิดอารมณ์หงุดหงิดเกิดอารมณ์เศร้าซ้อยหัวเหงาเกิดอารมณ์เบื่อหนา่ายเกิดขึ้นมาเพราะเป็นผลที่เกิดจากความคิดตุงมแต่งไปในทางความอย่ากนีเ่เวลาอยากได้อะไรอยากทําอะไร แล้วไม่ได้ดังใจก็จะเกิดความหุดหงิดใจเกิดความลาคาญใจเกิดอารมณ์ไม่ดีต่างๆตามมาดังนั้นหน้าที่ของเราจึงอยู่ตรงที่เราจะต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราให้มาหยุดความอยากให้ได้วิธีที่หยุดความอยากก็คือต้องหยุดความคิดการจะหยุดความคิดก็ต้องใช้ความคิดมาหยุดความคิด เช่นเราคิดถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับความอยากเช่นคิดคําว่าพุโทโธพุโทโธไปถ้าเราคิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปก็จะไม่เกิดความอยากแล้วเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงความอยากได้พอเราไม่คิดถึงความอยากใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุข น, นี่คือวิธีหยุดความอยาก เราต้องเอาความคิดมาหยุดความคิดชนิดหนึ่งที่เราหยุดความอยากได้ก็คือคำว่าพุทธโธนี่เถ้าเราคิดแต่คำว่าพุทธโธพุทธโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วใจเราก็จะสงบได้ถ้าเราไม่ชอบพุทธโธเราจะใช้ธ ร, รมโมก็ได้ใช้สังโฆก็ได้ใช้พุท ธ, ธังสารนังกัจฉานิสก็ได้ หรือจะใช้บทสวดมนต์ก็ได้เช่นสวดอิติปิโสอาลานสัมมาสวากขาโตสุปฏิปันโนสวดไปสลับกลับไปกลับมาสวดไปทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าเราจะทําอะไรก็สวดไปภายในใจอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้เพราะคิดแล้วก็จะทําให้เกิดอารมณ์อยากขึ้นมาคิดถึงคนนั้นก็อยากจะไปหาเขา คิดถึงคนนี้ก็อยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นเราก็เกิดความว้าวุ่นขุ่นงัวเกิดความทุ่งซ่านเกิดความเครียดขึ้นมาถ้าเราไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่อ ง, ง น, นั้นเรื่องนี้คิดอยู่กับพุทธโธคิดอยู่กับธรรมโมคิดอยู่กับสังโฆ ค, คิดอยู่กับอรหังสมมารับรองได้ว่าใจาของเราจะเย็นจะสบาย จะสงบจะมีความสุขนี่คือวิธีขั้นต้นต้องทำใจให้สงบก่อนเพื่อหยุดความอยากแต่ความอยากนี้ไม่ตายไปเพราะถ้าเราเผลอไม่ได้ท่องไม่ได้สวดพอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเกิดความอยากขึ้นมาอีกถ้าเราอยากจะหยุดความอยากอย่างถาวรเราก็ต้องสอนใจให้เห็นโทษของความอยากว่า การทำตามความอยากนี้ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขแต่กลับให้เรามีความทุกข์เพราะเราจะต้องทุกข์กับสิ่งที่เราได้มาเราอยากได้คนนั้นคนนี้มาเป็นคู่ครองพอเราได้เขามาแล้วทีนี้เราก็ต้องมาทุกข์กับความหวงกับความหวงใหญ่เวลาไม่เห็นหน้าเห็นตาเขาก็เกิดความวิตกกัววงวลขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมา หรือถ้าเขาไม่ดีก็เกิดความทุกข์เพราะแทนที่เขาจะให้ความสุขเขากลับให้ความทุกข์กับเราเช่นแทนที่จะเป็นคนดีทามาหากินเลี้ยงดูเราก็กลับใช้เงินใช้ทองเล่นการพนันเดิมพ์สุรายาเมาเอาเงินทองที่เรามีอยู่ไปใช้ให้หมดนี่แทนที่จะได้ความสุขก็กลับได้ความทุกข์ขึ้นมา ้าแถาเป็นคนดีอยู่กับเราแต่เวลาเขาจากเราไปเราก็ต้องทุกข์อีกนี่คือการใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการเดินเข้าหากองทุกข์ไม่ใช่เป็นการเดินเข้าหาความสุขวิธีที่จะเดินหาความสุขเดินออกจากกองทุกข์ก็คือต้องไม่ทำตามความอยากตา่าง ทุกขั้นเวลาอยากจะทำอะไรก็อยากไปทำนอกจากทำใจให้สงบเพียงอย่างเดียวนอกจากหยุดความอยากเท่านั้นเป็นที่เป็นสิ่งที่เป็นการกระทาที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราแต่ถ้าทำตามความอยากแล้วจะเป็นโทษกับเราจะนำความทุกข์ต่างๆมาให้กับเราถ้าเราสอนใจอย่างนี้เราก็จะไม่กล้าทำตามความอยาก พอเราไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากก็จะไม่เกิดขึ้นพอเกิดมาแล้วก็จะไม่ได้ทำตามความอยากนั้นเองแล้วเวลาหลังจากที่เราไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจแนละ้ใจเราก็จะสงบอยู่ตลอดเวลามีความสุขอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเรา ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวนอกจากให้ความสุขแล้วยังให้ความทุกข์กับเราด้วยดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะได้ความทุกข์จากสิ่งต่างๆเราก็ต้องอยากไปอยากได้สิ่งต่างๆพอเราสอนใจให้เห็นความจริงอันนี้แล้วใจก็จะหยุดความอยากได้แล้วก็จะไม่อยากได้อะไรอีกต่อไป ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือการหลุดพ้นจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเมื่อไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ถ้ายังมีความอยากก็ยังต้องมีร่างกายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือพาให้เราไป หาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้แต่ถ้าเราไม่มีความอยากได้แนละ้วเราก็ไม่ต้องมีร่างกายต่อไปเมื่อไม่ต้องมีร่างกายก็ไม่ต้องมาเกิดพอไม่เกิดแล้วก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายก็สแสดงว่าเราได้หลุดออกจากคุกแห่งการเวียนว่านตายเกิดแล้วดังที่พระพุทธเจ้าและภาษาวกทั้งหลายได้หลุดพ้นออกมา ท่านก็หลุดพ้นด้วยการทำบุญละบาปหยุดความอยากต่างๆภายในใจให้หมดไปหลังจากที่ได้ท่านได้ออกมาจากคุกแล้วท่านก็กลับเข้าไปในคุกไปเพื่อสอนคนที่ติดอยู่ในคุกให้รู้จักวิธีที่ออกจากคุกมาเช่นพวกเราเรามีพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราให้รู้ว่าตอนนี้พวกเรากำลังติดอยู่ในคุก แห่งการเวียนว่าตายเกิดถ้าเราไม่อยากจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเราก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำมาก็คือต้องทำบุญลบาปได้หยุดความอยากทั้งหลายให้หมดไปถ้าเราทำได้แล้วเราก็จะได้หลุดพ้นจากคุกตารางแห่งการเวียนว่าตายเกิดนี่คือหน้าที่ของพวกเรา ที่พระพุทธเจ้าได้สรงมอบให้กับพวกเราพระพุทธเจ้าได้ทําหน้าที่ของพระองค์แล้วก็คือสั่งสอนพวกเราบอกทางเดินให้แก่พวกเราแต่ถ้าไม่สามารถทําหน้าที่แทนเราได้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ต่อหน้าท่านกล่าวท่านกี่รานทั้งท่านก็ไม่สามารถที่จะทําหน้าที่ของเราได้ หน้าที่ของเราเราต้องเป็นผู้กระทําเองถ้าเราอยากจะตัดภพกับชาติอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นขอให้เราพยายามทตาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเถิดแล้วรับรองได้ว่าสักวันหนึ่งภายในชาตินี้แหละก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่พระสาวกทั้งหลายได้หลุดพ้นกัน ท่านก็นรพ้นในชาตินี้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะท่านมีศรัทธามีความเชื่อมีวิริยะความภาคเพียรมีขันติความอดทนที่จะทำตามที่พระบิดาเจ้า ส, สั่งสอนพวกเราก็จะได้ผลเช่นเดียวกันถ้าพวกเรามีศรัทธามีความภาคเพียรมีความอดทนดังนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผู้ืปัญหาอยู่ที่ผู้เรา อยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะหลุดพ้นได้หรือไม่นั้นอยู่ที่ว่าเรามีศรัทธาที่จะปฏิบัติตามได้หรือไม่มีความภาค พ, พียงที่จะปฏิบัติหรือไม่มีความอดทนที่จะทำหน้าที่ของเราได้หรือไม่ถ้าเรามีผลอันเลิศอันประเสริฐก็จะเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัด เพื่อมาตัดภพตัดชาติด้วยการทำบุญละบาปหยุดความอยากต่างๆให้ท่านได้นำเอาไปพินิศพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความดับทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแต่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศิีรัตนตรัรและบุญกุศล ที่ท่านได้มาบำเพ่นกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแคว่าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ